มฆะบุคโลโลกาตเอกมูลกะในสยห้าสิอนุบุคคลใดไม่เจ้ากำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่เจ้ากำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่เจ้ากำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ปฏิคานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคาไม่มากแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอนาคามิมักในเวทนาสองในกามมาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้การมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละใ น, ร, ในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึกในวัฏฏะทุกบุคคลนั้นไม่ใช่กาหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยเว้นบุคคลผู right. <way> ้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิม yes. ักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักในเวทนาสองในกลามธาตฺ และในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู Attend ้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีกำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมด ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยปติบุคคนใดไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในเวทนาสองในกลามาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีกำหนดรู้การมราคานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ม่นับนึกในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้กามาราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรกแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้กามาราคานุสัยอ น, นุ บุคคลใดไม่ใช่กาหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้ในใช่ไหมวิบ Clear ุคคลที่8ในเวทนาสามในกามรธาตและในรูปธาต์อรูปธาต์บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีกําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นน um ั่นแหละในสภาวะธรรมที่ม่นับเนื่องในวัตทุก บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุัสเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามีมรักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิชานุใสปติบุคคลใดไม่ใช่กาหนดรู้วิจิกิชานุใสอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักในเวทนาสองในกางมรธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่กําหนดรู้การมาราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุ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 บุคคลผู้พร้อมพเพลียงด้วยอรหัตมรัคษในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู sei, ร้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ภาวราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสในกามธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัฏทุข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวราคานุสัย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 ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักในเวทนาสองในความธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กาหนดรู้การมาราคานุัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่มี่กำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นักนึ่งในวัตถุ์บุคคลนั้นไม่ใช่กำนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำนดรู้อวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมากแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำนดรู้กามราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำนดรู้อวิชานุสัยปฏิ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 และในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุข์บุคคล น, นั้นไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมากแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยส5 4อนุบุคคลใดไม่ใช่กาหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 แล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลสองจพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักในทุกเวทนา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 ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่มีกำหนดรู้วิจิกิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุกบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนามิมรรคและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิชานุัยปฏิ บุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิชานุัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ปฏิคานุัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุในรูปธาตุอรูปธาตุ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 บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู e ah ้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยองรหัตธรรมในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มนกําหนดรู้ภาวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 แล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุใสเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมัคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมัค ในเวทนาสองในกลามปธาต์และในรูปประาธาต์อรูปราธาต์บุคคล น, นั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวตัตทุกข์บุคคล น, นั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่8แล้ว บุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสยัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดร really ู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก <uld> ็ไม่ใช <asc tamam> ่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรัคษในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่มีนับนึกในวัตตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่8ดแล้ว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 บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่สองอหอนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้ที่ฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ที่ฐานนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม วิช่ 257. อนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสสยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสสยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมักในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ภาวราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสาในกามธาตุและในสภาวธรรมที่มีนับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวราคานุใส เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิขิชานุสัยอันเกิดจากทา่านนั้ น, ใ ช, น, ช น, น, น, นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในเวทนาสามในกลามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้น ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งเหนือวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัย แล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชิานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักษ์ในเวทนาสามในกาลมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชิานุสัย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 บุคคลนั้นก็ไม่ได้กําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วย อ, อรหัตมรักในเวทนาสองในกวามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ได้กําหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ม่นับหนึ่งในวัตะทุก์ บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลสี่จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรกแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กําหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคาน vender, ุใส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 ในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตถุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปฏิ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 บุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กาหนดรู้วิจิกิจานุสัยและก็ไม่ใช่กาหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กาหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเรียงด้วยอรหัตมรัก์ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้น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 และการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีกําหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ภาวราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีกําหนดรู้กามราคานุใสบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักในเวทนาสามในกลามทาธาและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้รากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้าราการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุใส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 บุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ที่ฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานา น, านุสัยอ less, ันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม e ่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ม่นับเนื่องในื้อวัตถุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพีลงด้วยมักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปฏิ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 บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุ tab. บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุใสปฏิคานุสั ย, สยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่นม่นับนึ่กในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุใส ปติภาณุใสมานานุใสบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักในเวทนาสองในกลารมรธาตและในรูปธาตารูปธาต์บุคคลนั้นไม่เจ้ากำหนดรู้วิจิกิจชานุใสปามราคานุสัยและปฏิภานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้มานานุใสบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัฏทุก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 บุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักษ์ในเวทนาสองในกลามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสใสรามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่นินับหนึ่งในวัตตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ภาวราคานุใสยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้กรามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุใสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กําหนดรู้ภาวราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้กรามราคานุสัย